พระราชาเนี่ยความที่คิดถึงลูกมากนะก็เลยไม่สนใจเรื่องอื่นว่าลูกจะบวชหรือไม่บวชก็ตามทีแต่ลูกต้องนําโอรสมาแสดงแก่พ่อเออท่านไปแล้วท่านจะบวชไม่บวชก็ช่างเหอะไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่สําคัญที่สุดเนี่ยนะก็คือนําเจ้าชายสิทธัตถะกลับมาอุทายีอามาตตก็รับพระดํารัสแล้วก็ใส่ไว้ด้วยกล้าวก็นําข่าวของพระราชาไปจนถึงกรุงราชครึกฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาก็บรรลุเป็นท่ า, ารหัสพร้อมด้วยบุรุษพันหนึ่ง เสร็จแล้วกบ็บวชเป็นเอหิพิขุภาวะในวันเพน เ, เดือนสี่เนี่ยนะวันเดือนพัก ค, คุณีก็คือแสดงว่าผ่านไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนเนี่ยนะวันจากมาฆะไปอีกนะก็ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเมื่อกี้บอกว่าวันเพน เ, เดือนสาเป็นวันที่แสดงโอวาทปาติโมกอันนี้ก็มาถึงวันเพนเดือนสี่เนี่ยนะพอวันเพนเดือนสี่เนี่ยก็ถือว่าสิ้นฤดูหนาวเนี่ยนะสิ้นฤดูหนาวหมดฤดูหนาวแล้วก็คิดว่าฤดูหนาวก็ล่วงไป ฤดูร้อนก็เข้ามานี่ราวป่าก็มีดอกไม้บานสะพรั่งหนทางก็เหมาะที่จะเดินเป็นกาลสมควรที่พระทศพลจะทรงทําการสงเคราะห์พระไปยุระตะเนี่ยนะเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาตั้งหปีแล้วเป็นสมัยครูที่ควรจะไปสงเคราะห์ญาติได้แล้วคันคิดอย่างนี้เสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพันน า, นา คุณ ข, ของการเสด็จพุทธดำเนินเพื่อเข้าไปยังพระนครแห่งสกุลด้วยคาถาประมาณ60สขาถาก็เพราะว่าสถานที่เนี่ยจากเมืองราชครึกไปเมืองกบิลพัทเนี่ยก็ห่างกันรประมาณ60โยธหกสโยธก็เดินทางวรลยโยธวรลยโยธก็ต้องใช้เวลาประมาณกี่เดือน2เดือนเนี่ยนะนี่ก็สรรเสริญหนทางว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้ต้นไม้ทั้งหลายสลัดใบมีแต่ลำต้นเตรียมจะติดช่อติดผลต้นไม้เหล่านั้นส่องประกายสว่างข้าแต่พระมหาวีรเจ้าเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสะแลพระเจ้าค่าอันนี้สรรเสริญอะไรสรรเสริญเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าป่าเขาเนี่ยนะไอการพูดถึงต้นไม้ใบหญ้าป่าเขาเป็นต้นเนี่ยพูดเพื่อลักษณะคนที่ เนคคำมัทธยาสัยวิเวกัทธยาสัยพอฟังเรื่องต้นไม้เลยจะชอบฟังว่าจะได้ไปเดินอยู่ในหมู่แมกไม้หมู่ป่าไม้ข้างถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชุ่มเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงการเดินทางในในในสถานที่ต้นไม้แบบนั้นมีความสุขมากเลยนะอย่างพระพุทธเจ้าก็มีอัธยาศัยชอบป่าเยอะใช่ไหมถ้าจะชวนพระพุทธเจ้าเสด็จไปก บ, บิลพัฒน์นี่ต้องชมเรื่องป่ายจะไปชมเรื่องเมืองถ้าชมเรื่องเมืองอาจจะไม่ไปเห ง, งือนกันเธอ ก็เลยชื่นชมเรื่องถนนหนทางเรื่องตาไม้ใบหญ้าเป็นต้นกล่าวจะไปว่าต้นไม้ทั้งหลายงดงามรุ่งเรืองด้วยหน่อสีแดงและใบอ่อนประหนึ่งมนตดบที่รุ่งเรืองด้วยรัตนะข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังกีรสะแล้วพระเจ้าค่าต้นไม้ทั้งหลายบนยอดมีดอกบานงามประดับด้วยดอกไม้ทั้งหลายน่าชื่นใจดอกสะอาดสวยและมีกลิ่นหอมอารามไปทั้งสองข้างทางข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรสะแล้วพระพุทธเจ้าข่าคนที่อาราธนาอะไรสักอย่างไม่ใช่ไปถึงก็ขอขอขอขอสั่งๆๆ่บอกไปใช่ลักษณะนั้นเขาก็มีการไปชื่นชมยกย่องนะอารามพ บ, บทไปเรื่อยต้นไม้ที่งดงามทั้งหลายในโอกาสสองข้างทางดกเดินไปด้วยผลเป็นอันมากบรรเทาความยากไร้ทั้งความหิวระหายได้ข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรสะแล้วพระเจ้าข่า ถ้าได้เดินทางตามโมแมกไม้แบบนี้นะน่ามีความสุขมากแล้วเนี่ยคือประกาศถึงสถานที่ที่เป็นอะไรนะว่าผู้ที่เดินเส้นทางแบบนี้จะได้กายวิเวกเมื่อได้กายวิเวกก็จะได้จิตตวิเวกเนี่ยนะการที่จะอุปธิวิเวกก็ก็ได้และขณะเดียวกันเนี่ยการเดินทางในสถานที่รื่นรมแบบนี้แล้วเดินพิจารณาพระธรรมไป ในสถานที่เงียบสงบสงัดขนาดนี้เนี่ยจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมอีกขนาดไหนเรียกว่าเห็นขุมทรัพย์ระหว่างทางเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะอาศัยสถานที่ที่เป็นสปายะเป็นสถานที่เพิ่มพูนสมถาวิปัสนาเพิ่มพูนที่จะเข้าพระสมาบัติอะไรเป็นต้นก็พาสุขเนี่ ย, ยต้นไม้ทั้งหลายมีดอกงดงามใบอ่อนที่สะอาดตกแต่งแล้วเสมือนต้นหางนกยูง อารามไปทั้งสองข้างทางข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังคีร a s h t แล้วพระเจ้าค่าต้นไม้ทั้งหลายรุ่งโรจน์อันผลและใบอ่อนตกแต่งแล้วประดับประดาด้วยน้ําหอมย่อมปลอบประโลมใจเหล่าสัตว์ที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสวรําหรับพระอังคีร a s h แล้วพระเจ้าค่าก็าลองคิดดูนะถ้าเรานั่งรถผ่านตาเขาเนี่ยกับผ่านทุ่งอันร้อนระอุในอันไหนมันน่าเดินทางกัน เขาบว่าท่านนั่งรถผ่านป่าผ่านเขาเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นเขาเนี่ยแบบแบบป่าธรรมดาเนี่ยเดินทางทั้งวันก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเนี่ยนะเพราะว่าเห็นแต่ต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้นเนี่ยนะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจมีแต่รู้สึกว่าผ่อนคลายมันก็การเดินทางในถนนหนทางลักษณะนี้ก็สบายใจเาวันเป็นอันมากอาศัยพุ่มไม้ในป่าบนยอดออกดอกบานสวยสง่างาม ย่อมปลอบประโลมใจเหล่าสัตว์เหมือนมนดบมณีข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสาแล้วพระเจ้าค่าเถาวันเป็นอันมากอาศัยต้นไม้ประหนึ่งหญิงสาวกับชายที่รักมีกลิ่นหอมอบอวลประโลมใจข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสาแล้วพระเจ้าค่า ฝูงนกมีสีสันสวยงามน่าชื่นใจมีสีเขียวเป็นต้นส่งเสียงร้องไพร่เราะโดยรอบด้วยความยินดีปลอบประโลมข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสำหรับพระอังคีรษ า, าแล้วพระเจ้าค่าคำแปดคาถาแรกชื่นชมพวกนักพฤกษาชาติพฤกษศาสตร์เนี่ยนะพวกชอบต้นไม้ใบหญ้าเถาวัลย์ดอกไม้ผลไม้เนี่ยนะนักชิมนักอะไรทั้งหลายเนี่ยโอยผ่านสนนเส้นนี้ดีมาก ทีนี้พวกนักชมนกบ้างอนะสันเสริญเพื่อให้นักชมนกว่าออสถานที่นี้มันน่าไปก็เลยเล่าถึงเรื่องฝูงนกที่มีสีสวยบางคนนี่จะเป็นจะตายก็ไม่เป็นไรนะขอให้มันได้ดูนกเถอะเท่านั้นไม่รู้อะไรไปดูขนนกธรรมดาเนี่ยดูกันได้ยังไงก็ไม่แน่ใจแปลกใจมากเลยเขาดูแล้วก็ส่องด้วยนะทั้งก้มก้มเงยๆแล้วก็นิ่งเงียบเนี่ยนะแล้วก็ส่องแล้วไม่กระดิกเลยนะโห อ, อยู่ได้เป็นวันวันก่อนเคยขึ้นไปแถวเทือกเขาบางแห่งเนี่ยนะไปเห็นพวกนักส่องนกโอ้ยขยันจริงๆ เห็นดูนกได้ได้ดูนกที่เขาเกิดมาไม่เคยเห็นสักตัวเดียวเนี่ยเหมือนกับแหมเขาได้บรรลุอมตะทำอะไรสักอย่างอย่างนั้นแหละดูสึกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากนะนิ่งอย่างไรเงียบยุงกัดมั่งแมลงกวนมั่งก็ทนเอาปัดเอาเนี่ยนะโอ้ทำไมเชื่อใจเขาเลยอะ่ะรู้ทำได้ไงฟูงเนื้อนานาชนิดเกลื่อนกราดยกหูชูชันเบ่งตาว่างนั้นกนะ็เปิดตานะ หน้าชื่นใจพาการวิ่งไปโดยรอบข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังกีรษะแล้วพระเจ้าค่าแม่เจอเข้าว่าเบิ่งตาเข้าไปในมหาอีสานได้บ้งไงแผ่นปฐพีมีหญ้าพแพรกขึ้นเคี้ยวขจีส่องประกายโดยรอบหน้าชื่นใจต้นไม้ออกบานงามก็ประดับดุดโมลีข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังกีรษะแล้วพระเจ้าค่า ทรายทั้งหลายดูดังมุกดาเนี่ยนะคือพวกเม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยนะเหมือนกับแก้วมุกดาอันธรรมดาจัดแต่งเอาไว้สวดทรงงดงามให้สัมผัสดีดังสีทองส่องแสงสกาวรอบทิศข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสาแล้วพระเจ้าค่าพื้นดินสะอาดราบเรียบสัมผัสดีกลิ่นเกิดจากดอกไม้หอม ตลบอบอวลหน้าชื่นใจสองประกายงดงามข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรสาแล้วพระเจ้าค่าป่าใหญ่อันธรรมดาตกแต่งไว้ดีแล้วประดับแล้วด้วยต้นไม้นานาชนิดเรียงรายงามตระการมีกลิ่นหอมหน้าเรื่นรมอย่างดีดังสวนนันทวันนันทวันก็แปลว่าป่าที่น่ารื่นรมหน้าเพลิดเพลินข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรสาแล้วพระเจ้าค่า คำที่นักชมไม้ทั้งหลายเนี่ยนะชมนกชมไม้ก็ฟังเอานะน่าจะมีความสุขสระทั้งหลายหลากชนิดวิจิตน่ารื่นรมใจะนะบางพวกที่ไปเอ๊จะมีน้ําหรือเปล่าบอกไม่ต้องห่วงสระทั้งหลายมีเยอะเนี่ยนะเป็นสระที่น่ารื่นรมใจอันธรรมดาตกแต่งไว้มีบัวบุญทริกเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ําเย็นใสเหมือนดั่งทองค่าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรสระแล้วพระเจ้าค่า สะทั้งหลายอารามเหลืองไปด้วยบัวนานาชนิดดอกนะดอกเนี่ยบานงามกลิ่นกลุ่นสะอาดทำให้เหล่ามนุษย์ชาติและเทพพาดาบันเทิงใจข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสะแล้วพระเจ้าข้านะสะบัวทั้งหลายเนี่ยต้องนั่งนั่นะนั่งรถผ่านศรีลังกาจะมีสะบัวเยอะเนี่ยนะเยอะกว่าบ้านเราเยอะสะบัวเนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้บัวอะไรนะบัวต้มต้มสายบัวบัวสายบัวนะบัวสาเนี่ยเยอะมาก เพราะว่าเขาจะชอบเอาบัวสายเนี่ยไปไปไหว้พระกันนะบัวสายอ่ะนะเป็นดอกบัวสีเขียวอ่ะนะบัวสีน้ำเงินอ่ะก็สายบัวกันแล้วกันอ่ะพูดยากฟูงนกจับกอบัวที่มีดอกบานร้องเชียบจับไปรอบรอบนกเหล่านั้นบันเทิงพร้อมกันกับตัวเมียข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรัสะแล้วพระเจ้าข้า ฟูงพึ่งเก็บละอองจากดอกไม้บานส่งเสียงร้องบินเวียนว่อนกลิ่นน้ำหวานก็กำใจไปทั่วทิศค่าแต่พระมหาวีระเจ้าเป็นสมัยควรสำหรับพระอังกีรษะแล้วต่อไปก็เป็นโขลงช้างขุนเขาผ่านฟูงนกยูงฟูงนกเป็นอันมากภูเขาชลาลายัยลำน้ำแสดงว่าต้องผ่านสระน้ำผ่านแม่น้าผ่านต้นกล้วยไม้นะะกระว่าในป่าก็ เกลือนกลาดไปด้วยไม้นานาชนิดแล้วก็อาหารในระหว่างทางข้าวน้ําอันสะอาดนานาชนิดเนี่ยนะหมู่บ้านข้างทางก็โอ้ทำบุญไส่บาตดีแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งดอกไม้ก็แผ่นดินก็ดีชนทั้งหลายก็มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะคือคือประชาชนข้างทางก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่บริสุทธิ์ปรารถนายิ่งนักซึ่งราชาคือภาวะแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาอยากพบเห็นพระพุทธเจ้ามาก ชาวบ้านเหล่านั้นก็มีอยู่เป็นอันมากรอบๆอบณนะแผ่นดินนั่นแหลก็คือข่าวในเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยดังไปทั่วไปหมดเลยนะในช่วงนั้น น, นนะะเพราะชาวบ้านเขาก็มีศรัทธาปรารถนาจะเห็นพระพุทธเจ้าคาถาที่สามสิบแล้วน่นะนะนะถ้าระหว่างทางก็มีพวกสระบกคารณีแล้วก็ต้นไม้ทั้งหลายก็น่าชื่นใจป่าทั้งหลายก็คลึ้มไปด้วยเมฆเขียวตะการ แล้วก็34ก็บอกว่าหนทางดีทุกๆโยต์หมู่บ้านก็มีอาหารดีหาอาหารได้ง่ายน่าชื่นใจมีผู้คนหนาแน่นมีข้าวน้ำหาได้สะดวกนะคราแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรษาแลพะเจ้าค่าระหว่างทางก็มีศาลากว้างมีสภาที่ประชมุม มีร่มเงาและน้ำมากพอหน้ารื่นรมมอบความสุขทุกอย่างแก่ผู้อาศัยข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังกีรษะแล้วพระเจ้าค่าในนั้นก็มีสะโบกคารณีเนี่ยนะสะโบกครณีระหว่างทางก็มีลมอ่อนเย็นมีลมอ่อนท้องฟ้าก็ปราศจากเมฆหมอกทิศก็สว่างสวัย ระหว่างทางก็ยังมีฝนตก น, น้อยในราตรีเพื่อไม่ให้มีฝุ่นละอองดวงอาทิตย์ในท้องฟ้าก็มีแสงแดดอ่อนๆ น, น่าเดินทางแล้วก็ระหว่างทางก็ยังมีช้างพลายซุกซนน่ยนะช้างตัวน้อยป่าก็เขียวสดท้องฟ้าก็ปราศจากเมฆหมอกสมัยนั้นนถ้าไปสมัยนี้ ม, มีอะไรเออนั้นก็มีป่าเหมือนกันนะระหว่างทางก่อนที่จะถึงสมุทาจากักจากไหนจากไอ้กุสินารานเนี่ยนะที่จะข้ามไป ที่ลุมพี่นีเนี่ยมันจะผ่านป่าเหมือนกันป่าสัก์ป่าอะไรเนี่ยป่าต้นไม้อะในนั้นก็มีลูกหลานธนูมานเต็มไปหมดเลย mm hmm. เยอะมากะนะมันใครไปบริเวณนั้นโดยมากก็จะขนกล้วยกันไปใส่รถเนี่ยนะเอาไปโยนกล้วยระหว่างทางกันก็ลิงเยอะมากเลยลิงเยอะแต่ว่าสัตว์อื่นๆก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะสมัยนี้ก็มีอะไรมีมีต้นไม้ใบหญ้ามีต้นอะไรมัสตาร์ดนะดอกเลื้องไปหมดะนะแล้วก็มีอะไร ข้าวสาลีนะนาข้าวสาลีกําลังออกรวงแล้วก็ถั่วแระเนี่ยโอ้ยเตะไปหมดเลยเยอะมากถั่วแระอันนี้สมัยนี้นะแต่สมัยนั้นนะอู้ดีมากเลยเนะี่ยแล้วก็ในนั้นสมัยนั้นก็ยังมีพวกคนทันพิทยาธรกินนอนขับร้องเพลงในป่าที่ผู้มีตบะคำวา่า้นผู้กลัวแต่หมู่กิเลส ข, ของตนเองส่องเสพแล้วอ่ะนะในหน้าเจ็ดสิบแปดเขาบอกว่าป่าที่ผู้มีตะบะภาคเพียรพยายามที่กําจัดความเศร้าหมอง ผู้กลัวต่อหมูกิเลสของตนเองนะนะสมัยนั้นเนี่ยเขากลัวกิเลสในใจมากที่สุดเหมือนกันเถอะถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือกิเลสที่อยู่ในใจเพราะนนัน้ท่านผู้มีตาบาเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในปา่าอาศัยป่าเป็นวิหารอาศัยป่าเป็นอารามที่สําเร็จประโยชน์ท่าะะ น, นก็ถือว่าเป็นหนทางที่น่าเดินทางมากแล้วก็ในป่านี้ก็มีผลไม้อีกมากมายนะีนะเรียกว่าวันนัให้สําเร็จผลต่างๆไม่อากูลก็แปลว่าผลไม้เนี่ย ดีเยี่ยมมางั้นไม่เศร้ามองแสดงว่านอนไม่ค่อยใช่เป็นตน้นเนีเป็นที่น่าเรื่นรมยิ่งแห่งใจเป็นนิดเพิ่มพูนสมาธิจิตและปีติการพูดถึงสถานที่เงียบสงัดทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะท่านต้องการอาธิบายสรรเสริญกายวิเวกเมื่อไปอาศัยสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งกายวิเวกอย่างนี้จิตตะวิเวกก็จะเกิดขึ้นก็เลยชื่นชมสมาธิจิตและ ปีติเนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านนักเพลินป่าไปวันวันหนึ่งนะชมป่าหมดไปวันวันหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าสถานที่อย่างนั้นเนี่ยเหมาะที่จะเจริญสมถะเป็นต้นมากเนี่ยนะวันะอันฟูงนกป่าเป็นอนเนกเนี่ยก็เป็นป่าที่มีนกเยอะานะนกซ่องเสบอยู่เป็นนิด หมู่คนจากตำบลหนึ่งสู่บ้านอีกตำบลหนึ่งก็อยู่กันเป็นประจำหมู่บ้านทั้งหลายก็กลายเป็นเมืองแต่ละเมืองแต่ละเมืองเพราะถือว่าเป็นสมัยที่สมควรจะเดินทางได้ชุมชนเป็นอันมากอาศัยผ้าข้าวน้ำที่นั่งที่นอนของหอมดอกไม้เครื่องรูปไร้สาเร็จประโยชน์อยู่กันทั้งเมืองอะนะ ชนทั้งหลายถึงความเป็นผู้เลิศแห่งยศทุกอย่างด้วยบุญยริษมั่งคัง่งมีโภค่ต่างๆเป็นอันมากอยู่กันเป็นสุขทั้งในเมืองอะนะก็ถือว่าเป็นสมัยที่สมควรสำหรับพระอังกีรสะแลว้วมันก็แสดงว่าระหว่างทางเนี่ยพระองค์จะได้สงเคราะห์หมู่ประชุมชนไปขนาดไหนะนะ เมฆหมอกในท้องฟ้าก็มีสีหมดจดดวงจันทร์ก็ส่องสว่างไปตลอดทิศยามราตรีลมก็โชยอ่อนๆเย็นๆ เ, เนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยอันสมควรสำหรับพระองค์แล้วพอดวงจันทร์โผล่ขึ้นมาชนทั้งปวงก็ร่าเริงสนธนากันแต่เรื่องที่ดีงามณนะลานบ้านของตนบันเทิงยิ่งนักกับคนรักทั้งหลายเนี่ยนะครับลูกกับหลานเป็นต้นเนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระนี้เป็นสมัยสมควรสาหรับพระองค์แล้ว รัศมีแห่งดวงจันทร์ก็ส่องสว่างตลอดท้องฟ้าพื้นแผ่นพัสตสาก็มีสีสันหมดจดหน้าชื่นใจทิศทั้งหลายก็บริสุทธิ์หมดจดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมัย น, นี่ก็ชมนกชมจันทร์ไปเลยนะเพราะต้องรัศมีแห่งดวงจันทร์อันประเสริฐแต่ไกลดอกไม้ทั้งหลายบนแผ่นดินโดยรอบก็เย้มบานสําหรับคนทั้งหลายที่ต้องการคุณคือความหอมก็ถือว่าเป็นสมัยแล้วล่ะ แผ่นดินก็ถูกฉาบทาเอาไว้ด้วยรัศมีแห่งดวงจันทร์แสดงว่าท่านคิดได้รอบแล้วก็สรรเสริญนะนะถือว่าเป็นบทเพลงเลยแหละนะสมัยนะั้นสมัยนะั้นยิงๆไอัดคาร้องแบบนี้ถือว่าเป็นบทเพลงของเขาเพราะเป็นฉันทะลักษณ์เป็นคาถาก็พูดถึงช้างอีกแสดงว่าช้างมีเยอะนะสมัยนะั้นหนทางทุกสายก็ควรแก่การเดินทางทั้งรัฐอาณาจักรก็มั่งคัง่งมีทรัพย์มีโภคะมีทุกสิ่งให้ความสุขทุกอย่างก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สมควรแก่การเดินทาง ป่าทุกป่าวันะทุกวันะล้วนแต่งดงามอันธรรมดาสร้างเอาไว้ประดุษสวนนันทวันให้เกิดปีติแก่นักพรตทั้งหลายเนืองๆนะ เ, เ, เพราะว่านักพรตทั้งหลายได้อาศัยที่สถานที่เป็นที่วิเวกอย่างนี้ก็เจริญสมถาวิปัสนาเป็นที่ตั้งแห่งปีติเสร็จ แ, แล้วก็เริ่มอธิบายแสดงว่าสันเสริญหนทางไปเรื่อยๆ56กคาถาก็แสดงว่าโยตที่56กมั้งเนี่ยมันมี60โยตใช่ไหมสันเสริญ60าาิบคาถาแสดงว่าคาถาที่ ห้าบกเนี่ยเริ่มเข้าสู่เขตกบิลพัทแล้วพระนครของพระสกุลมีนามว่ากบิลพั์ป ร, ประดับประดานหน้ารื่นรมดุจเทพนครเป็นพระนครมีสิริสง่างามในโลกนะครับนี่เริ่มชมเมืองของพระองค์และพระนครก็งดงามมีหอรบหน้าชื่นใจประดับด้วยบัวบานสะพรั่งหน้ารื่นรมอย่างดีอันค่ายคูวิจิตเพราะว่าเมืองนี้เขาดูแลมาด้วยลําพังตัวเองไงไหมก็เลยสันเสริญได้ไม่ยากปราการอันวิจิตเสาเนียด และพลานอันงามเป็นที่ประทับขององค์สมมุติเทพถนนที่น่าชื่นใจเหมือนดั่งเทวโลกแต่ที่เราไปครั้งที่แล้วมีแต่ป่าหญาคานีานะแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยงามมากเหมือนเมืองสวรรค์ว่างั้นเลยเหมือนเมืองกรุงเทพเลยว่างั้นนะเทวโลกก็เหมือนเมืองสวรรค์นั่นแหละเหล่าศักยราชบุตรแห่งพระองค์ก็งามรุ่งเรืองด้วยเครื่องประดับอันประเสริฐดุจเหล่าเทพบุตรในภพอมรินมาอุย้ยสวรรค์ดาวดึงนะัทะเทพบุตรเทพธิดาอ่านะ สักยาราทั้งหลายชายหนุ่มหญิงสาวงามเหมือนนางฟาาเหมือนเทวดาในดาวดึงมากันาแต่พระจอมมุนีพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชมีพระราชาประสงค์จะทรงพบพระจอมมุนีจึงทรงบุตรอมารพร้อมด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ถึง1ิครั้งค่าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังกีรษะแล้วพระเจ้าค่ะแสดงว่าพระราชบิดาประสงค์อยากจะพบมาก น, นะ พระพุทธบิดาอยากจะพบมากทรงกองกําลังมาถึงสิบชุดด้วยกันเนี่ยแสดงว่าเป็นไม่ใช่ธรรมดามาส่งสารบางทีส่งครั้งสองครั้งไม่มาแล้วกันไปนะแต่นี่ไม่ส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีกสิบชุดด้วยกันน่ะพระเจ้าสุดโทธานา m a h a r a ไม่ทรงเห็นพระองค์เสด็จมาไม่ได้ทรงได้ยินพระวาจาหน้าก็ไม่เห็นเสียงก็ไม่ได้ฟังเนี่ยนะข้าพระองค์ประสงค์จะปลอบพระองค์ผู้แก้วกล้าผู้ประเสริฐสุดในนรชน ผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนซึ่งถูกความเศร้าโศกครอบงามแล้วข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังกีรศ์แล้วพระเจ้าค่าพระพุทธบิดาอยากเห็นมากจิตใจก็เศร้าโศกประจําวิปโยคทุกข์ใชคิดถึงลูกเนี่ยนะแม่ลูกจากไปตั้งกี่ปีอะห6ปีเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้มีข่าวคราวนะฟังข่าวคราวอยู่ตลอดแต่ว่าแม้อยากเห็นหน้าอยากฟังเสียงลูกบ้างนะ ข้าแต่พระจอมมุนีผู้มีกองปีติอัศจรรย์เพราะการเห็นพระองค์คือพระพุทธเจ้านี่มีคุณสมบัติเขาบอกว่าคนที่เห็นพระพุทธเจ้าจะไม่เบื่อเหมือนยามค่ําคืนชมจันทร์เนี่ยนะคนที่ชมจันทร์ดูดวงจันทร์แสงอ่อนๆเนี่ยนะจะไม่เบื่อไม่น่ายฉันใดผู้ที่เห็นพระพระของพระองค์นี่ก็เหมือนกันกองแห่งปีติความปราบปลื่มใจก็จะมีเป็นอันมากขอพระองค์โปรดทรงปลอบ พระผู้เป็นเจ้าแห่งหมู่มนุษย์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐซึ่งตั้งพระเนตรรอคอยพระองค์นั้นด้วยเถิดคือถ้าพระองค์เสด็จไปถึงเนี่ยพระเจ้าสุดโททนะปีติแน่เหมือนกันข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังกีรัษะแล้วพระเจ้าค่าทีนี้ก็ย้ําว่าชาวนาไ ถ, าถานาก็ด้วยความหวังชาวนาท้ไถนาก็มีหวังใช่ไหม ชาวน า, วานหวานพืชก็หวานด้วยความหวังพ่อค้านำทรัพย์ไปทางทะเลก็ไปด้วยความหวังข้าพระองค์ยืนหยัดอยู่ด้วยความหวังใดขอความหวังนั้นจงสำเร็จแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนะคือขอให้พระเจ้าช่วยให้สำเร็จความปรารถนาหน่อยข้าแต่พระมหามุนีไม่หนาวนักไม่ร้อนนักอาหารหาได้ไม่ยากและก็ไม่อดอยากพื้นแผ่นดินเคี้ยวขจีด้วยหญ้าแพรก นี้เป็นการละอันสมควรแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามกับท่านพระอุทายีว่าอุทายีเธอสรรเสริญการเดินทางทำไมโอ้ยโชวเชิญชมถนนห น, นทางมาตลอดสายเลยนะพระอุทายีก็กลับทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชพระชนกของพระองค์มี มีพระราชประสงค์จะพบพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงทำการสงเคราะห์พระประยุระยาเถิดพระพุทธเจ้าข้าภาษาสระก็บอกว่าสาธุดีแล้วอุทายีเราตถาคตจักทําการสงเคราะห์พระประยุระยาถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงบอกกล่าวแก่ภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจักได้บาเพ็ญคหมิยวัต ธรรมเนียมของผู้จะเดินทางเช่นมีการจัดเตรียมบริคารนะเก็บข้าวเก็บของที่เป็นของสง์ให้มันเรียบร้อยก่อนจะเดินทางพระเทระก็ทูลรับพระพุทธลัมรัดแล้วก็ว่าดีแล้วพระพุทธเจ้าค้าก็บอกกล่าวแก่ภิกษุสงฆ์พระาศาสดาแวดล้อมด้วยภิกษุขีนาสบรวมทั้งหมดสองหมืนรูปตอนนั้นเนี่ยอตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสะดงธรรม หรือแสดงโอวาทปาฏิโมกวันเพ็ญเดือนสามเนี่ยมีภาพฐานเท่าไร่มีภาพฐานพัน200รูปที่ที่เอหิพพิโคนะจริงๆมีภาพฐานมากกว่า น, นั้นแต่ไม่ได้รวมทั้งหมดแต่ว่าหลังจากนั้นไปหนึ่งเดือนเนี่ยนะมีภาพฐานขึ้นสองห0ื่นรูปทันทีมีสอง0 0ื่นรูปขึ้นมาเลยนะเพราะแสดงว่าส่งมาเป็นชุดน่ยนะสามสี่วันเป็นชุดหนึ่งสามสี่วันก็บรรลุแล้วก็ประชาชนแห่แห่นเข้ามาบวชมันภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมีภาพฐานเพิ่มเป็น 2,000 0่นกว่ารูป 20,000 กรูปแต่ว่าที่ติดตามพระพุทธเจ้าตอนนั้นไปเนี่ยส0รูปแต่ว่ามีเกินกว่า 2,000 0รูปถามว่าในสอง0 0รูปเอามาจากไหนก็บอกว่าชาวอังคากับชาวมคธเนี่ยนะมื่นรูปว่เาเป็นแคว้นใหญ่มากเลยนะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นแล้วก็กุลบุตรชาวกรุงกบิลพั์อีกหมื่นรูปที่ที่เป็นทหารที่พระเจ้าสุโธธนะส่งไปเนี่ยนะ เสด็จออกจากกรุงราชครึกเดินทางวัลยโยศวัลยโยศสองเดือนก็เสด็จถึงกรุงกบิลพัทเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงแล้วฝ่ายเจ้าสกยาราชทั้งหลายก็ช่วยกันเลือกสถานที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหมายพระไทยจักพบพระญาติผู้ประเสริฐสุดของตนจึงกําหนดแน่ชัดว่าอารามของนิโครสกยะหน้ารื่นรมใจเนี่ยนะ ก็เลยให้จัดทำพิธีปฏิบัติทุกวิธีพากันถือของหอมดอกไม้ไปรับเสด็จนะนะรับเสด็จแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างบูชาด้วยดอกไม้ของหอมจนเป็นต้นจนก็คือแป้งนะนันนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังนิโครธารามณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระขีนาศบสองหมืนรูปแวดล้อมแล้วประทับนั่งเหนือพุทธาฏอย่างดีที่เขาจัดเอาไว้ ฝ่ายพวกเจ้าสักยะนี้เป็นชาติมีมานะเนี่ยนะคิดว่ายิ่งในในชาติตระกูลมากกระด้างเพราะมานะต่างก็คิดว่าสิทธัตถะกุมาเนี่ยหนุ่มกว่าเรากนิฐาเป็นหลานเราออขออภัยกนิถาแปลว่าน้องเราเนี่ยกนิฐาพระกะนิถาก็คือน้องอ่ะนะเป็นบุตรของเราภาคินยะเป็นหลานของเราแล้วก็เป็นก็มีภาคินยะก็นัดดาก็หลานทั้งนั้นว่ารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนเราทั้งนั้นแหละวนะ่าไง ก็เลยกล่าวกับราชกุมานที่นมนมว่าพวกเจ้าจงไหวเราจะนั่งอยู่ข้างหลังข้างหลังพวกเจ้าเขาก็จะแบ่งอย่างนี้เลยว่าพวกไหนอายุต่ํากว่าสาสิบห้าไปนั่งข้างหน้าให้หมดพวกที่อายุสามสิบกสบเจ็ขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าวเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมพวกนี้พวกรุ่นน้องต้องไปไหว้พวกพี่ไปเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีมานะมากก็ระดับียดว่าระดับรุ่นพี่อายุมากกว่าสาสิบกไปแล้วเนี่ยไม่ไหวพระพุทธเจ้าเลยแต่ไว้พวกอายุต่ากว่านั้น เมื่อเจ้าสกยาเหล่านั้นนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสกยาเหล่านั้นก็ดำเนินว่าพระญาติเหล่านี้ไม่ยอมไหวเราเพราะตนเป็นคนแก่เปล่าแก่ก็จริงแต่ว่าแก่ก็ไม่ได้มีสาระอะไรอยู่ในใจหรอกเพราะพระญาติเหล่านั้นไม่รู้ว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรเนี่ยนะปกติของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเขาไม่รู้หรอก ธรรมดากำลังเนี่ยนะเช่นกําลังกายกําลังยางของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรเขาก็ไม่รู้หรือว่าธรรมดาของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้ธรรมดากําลังของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้ถ้าใครเราพึงแสดงกําลังของพระพุทธเจ้าและกําลังฤทธิ์ที่ควรทําปาฏิหารจําเราจะเนรมิตที่จงกรมแล้วแล้วด้วยล้วนด้วยรัตนะกว้างขนาดหมื่นจักรวาลในอากาศ เมื่อจงกรมณนะที่จงกรมนั้นตรวจดูอัธยาศัยของมหาชนแล้วก็จะแสดงคาด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็ปริวิตกปริวิตกก็คือคิดขึ้นอย่างนี้ขึ้นพระสังคีติกาจาร์ก็เลยกล่าวเป็นบทประพันธ์ว่าเพราะพระญาตเหล่านั้นพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดคนเนี่ยเป็นเช่นไรกาลังริและกาลังปัญญาของพระองค์เป็นเช่นไร กำลังของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเป็นเช่นไรเพราะพระญาตเหล่านั้นพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ไม่รู้ดอกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดคนเป็นเช่นนี้กําลังฤทธิ์และกําลังปัญญาเป็นเช่นนี้กําลังของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเป็นเช่นนี้เอาเถิดจําเราจักแสดงกําลังของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยมจากเนรมิต ท, ที่จงกรมประดับด้วยรัตนะในนภากาศ ส่วนสถานที่จงกรมจะเป็นอย่างไรเป็นต้นก็ตอนบ่ายก็แล้วกัน